ขอโอกาสหลวงพ่ อ, ขอเขียนครูบาอาจารย์ทุกลูกนะครับแล้วก็ครับขอโอกาสจะเพื่อทธรรมทุกท่านจเจริญพรแม่ชีแล้วก็นักปฏิบัติธรรมทุกคนกวันนี้ก็เป็นเช้าอีกวันหนึ่งในพรรษาปี2552ของพวกเราก็ได้มีโอกาสอยู่ร่วมกัน แต่ส่วนอาตมาก็าอยู่บ้างไม่ค่อยอยู่บ้างไปนั่นมานี่บ้างแต่ก็ถือว่าก็ไปในกิจที่เป็นกิจในการช่วยเหลือเพื่อนในการปฏิบัติธรรมนะที่นั่นที่นี่บ้างเป็นกิจช่วยเหลือชุมชนบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็คือเป็นกิจภายนอกเนาะแต่เราก็ บางทีเราทํากิจภายนอกแล้วก็ยัยลื่มกิจของตัวเราเองแล้วยังมีกิจที่จะต้องทําอยู่สองส่วนเป็นส่วน ห, นหลักๆคือกิจส่วนตัวของเรากิจส่วนตัวของเราคืออะไรนะตอนนี้ไม่มีใครช่วยเราได้เลยนะกิจส่วนตัวของเราคือการบำเพ็ญเพียรการภาวนาของตัวเราเองเนี่ยแม้เราจะทํากิจอย่างอื่นอย่างแม่ครัวไม่ชีอาจจะทํากิจในการ ทำอาหารหรือดูแลเสนาสนะที่พักให้แก่ญาติโยมอันนั้นคือกิจภายนอกนะแต่เราก็อย่าลืมกิจภายในที่เราต้องทําควบคู่กันไปด้วยในทุกขณะที่เราทํากิจที่เป็นประโยชน์ส่วนรวมก็ดีหรือที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนก็ดีเราก็อย่าลืมทํากิจภายในของเราด้วยคือการภาวนาภายในใจอยู่ตลอดเวลานะภาวนาในการที่จะ ค่อยๆรู้สึกตัวไปนะทำได้ขนาดไหนก็ถือว่าให้เราพยายามทำอยู่บ่อยๆอย่าคิดแยกเราไม่พึงแยกที่จะแยกว่า อ, อันนี้เราทำกิตภายนอกนะทำกิดภายนอกจิตใจก็ไปหมกมุ่นอยู่กับการงานภายนอกอย่างเดียวทำครัวก็ไม่ใช่ปล่อยจิตใจไปอยู่ที่ครัวนะไม่ถึงว่าเจออารมณ์กระทบสัมผัส ต, ต่างๆแล้วก็จิตใจก็ร่องรอยไปกับสิ่งที่กระทบสัมผัส ถ้าเราเรียนรู้ที่จะเอาสิ่งที่กระทบสัมผัสตอนนั้นนะมาเป็นครูสอนเราอาตมาว่ามันเป็นประโยชน์อย่างมากเพราะว่าบางทีการปฏิบัติธรรมจะทํำแต่ในรูปแบบอย่างเดียวบางทีก็ไม่เพียงพอเหมือนคล้ายนักกีฬาที่เขาขยันซ้อมขยันซ้อมแต่ไม่ค่อยได้แข่งขันกับคู่แข่งขันนะไม่ค่อยได้แข่งนะ ตอนนั้นเขาก็ไม่ค่อยชำนาญไม่ค่อยเก่งอาจจะซ้อมเก่งนะซ้อมเก่งแต่พอเ ว, เวลาแข่งจริงๆก็ล้มเหลวก็มีหลายคนเป็นนักดูท่าทางในการซ้อมในการปฏิบัติดูท่าทางดีแต่พอไปกระทบอารมณ์ไปกระทบกับสิ่งซึ่งเป็นโลกกระทำแก่เราก็ไม่สามารถรับมือกับมันได้เนาะการปฏิบัติธรรมที่แท้จริงต้อง ต้องเรียกว่าเสถร น, น้ำเสถรบกพร้อมที่จะอยู่กับพร้อมที่อยู่คนเดียวแล้วก็พร้อมที่จะอยู่กับผู้คนพร้อมที่จะเจอกับโลกธรรมฝ่ายดีพร้อมที่จะเจอกับโลกธรรมฝ่ายลบนะพร้อมทุกอย่างนะนักปฏิบัติธรรมต้องพยายามวางใจตรง น, นี้ให้มันได้เลยนะวางใจว่าเราพร้อมที่จะเจอกับทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เราชอบก็ดี สิ่งที่เราไม่ชอบก็ดีเราต้องเตรียมใจที่จะพร้อมแต่ถ้ามาปฏิบัติธรรมที่นี่แล้วตั้งท่าไว้ว่าจะต้องเจอแต่สิ่งที่เราชอบอย่างเดียวจะต้องเจอแต่สิ่งซึ่งเป็นสัพเยะในการปฏิบัติธรรมบางทีเราอาจจะเข้าใจคาว่าสัพเายะผิดไปก็ได้นะสัพเายะคือความความเหมาะสมความสะดวกความสบายนะแต่ความเหมาะสมความสะดวกสบายก็มไม่ใช่ว่าไอสิ่งที่มากระทบ ซึ่งมันอาจจะเป็นครูสอนเราเนี่ยที่จริงมันเป็นความสะดวกสบายซึ่งธรรมชาติเขาจัดสรรให้เรานะอย่างบางคนร่างกายมีอายุมากขึ้นความไม่สะดวกทางกายนี่เป็นอุปกรณ์สอนทำอย่างดีน ะ, ะเป็นอุปกรณ์เตือนตัวเองให้ไม่ประมาทในชีวิตนะใช่ไหมบางคนพอเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่นะร่างกายแข็งแรงนะแข็งแรงก็ไม่ค่อยคิดนะไม่ค่อย คิดว่าตัวเองจะใกล้จะตายแล้วไม่ค่อยคิดว่าเอาก็ส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าตัวเองเต้องมีชีวิตอยู่ไปข้างหน้าอีกนานแต่พอเริ่มเจ็บไข้ได้ป่วยเริ่มมีอายุมากขึ้นนี้ก็เริ่มได้คิดแล้วว่าโอ้เราคงอยู่ได้อีกไม่นานแล้วเนาะเนี่ยไม่รู้ว่าชาตินี้ก็หาเงินหาทองทำนั่นทำนี่มาเยอะแล้วสุดท้ายก็น่าจะเหลือสิ่งหนึ่งที่เรายังไม่ค่อยได้หาคือ หาตัวเองนะกลับมาดูตัวเองไม่ค่อยได้หานะหาเงินหาทองภายนอกตัวแรคนอื่นภายนอกมาเยอะแล้วทำการทำงานอย่างอื่นมาเยอะแล้วแต่สิ่งที่เราไม่ค่อยได้ทำก็คือกลับมาดูแรกายดูแรยใจของตัวเองจริงๆนะไม่ค่อยได้คิดถึงใช่ไหมแต่พอเริ่มมีอายุมากขึ้นก็เริ่มได้คิดมากขึ้นแต่บางคนถ้ายิ่งได้กลับมาคิดเรื่องนี้ตั้งแต่หนุ่ ม, มสาวก็ถือว่าดีนะ อย่างโดยส่วนตัวก็ก็ได้ไประโยชน์จากตรงนี้เยอะอยู่เพราะว่าเคยเกือบตายมาเหมือนกั น, นตอนก่อนที่จะเกือบตายนี่ก็ไม่ค่อยรู้สึกคุณค่าของชีวิตรู้สึกว่าชีวิตนี้มันคล้ายๆไงไม่ค่อยพอใจไม่ดูเข้อให้เราเกิดมาทําไมทำไมเราต้องเกิดมาด้วยนะแต่พอเกิดมาแล้วมันเกือบจะตายมาค่อยเห็นคุณค่าของชีวิตพอเห็นคุณค่าของชีวิต มันก็ค่อยๆรู้ว่าเออชีวิตนี้มันมันมีค่านะถ้าเราตายไปตอนนั้นโอกาสที่เราจะไปนรกนี้ก็มีสูงเพราะว่าเราตายไปกับโมหะนะตายไปกับความหลงแต่พอมีโอกาสได้ทบทวนชีวิตขึ้นมาสักหน่อยอ่อค่อยเห็นว่าบางทีชีวิตเราไม่จำเป็นต้องไปคิดเลยนะว่าเราเกิดมาทำไมแต่เราพึงที่จะคิดว่า เราเกิดมาแล้วเราควรจะทำตัวอย่างไรถึงจะมีประโยชน์เราควรจะศึกษาสิ่งไหนถึงจะเป็นคุณประโยชน์แก่ชีวิตของเราที่ได้เกิดมาการที่เรามาปฏิบัติธรรมมาศึกษาธรรมะก็เป็นการทีงมาศึกษาดูว่าชีวิตต่อไปข้างหน้าเนี่ยเราควรจะเดินอย่างไรถึงจะมีประโยชน์ที่สุดเดินต่อไปยังไงถึงจะมีความสุขมากที่สุดเดินต่อไปยังไงถึงจะมีความทุกข์น้อยที่สุด ถ้าเราตั้งเป้าหมายในการเดินทางของชีวิตนะเราไม่ต้องไปคำนึงถึงอดีตมันจะผ่านมาอย่างไรนั้นก็แล้วแต่เนาะบางคนร้อยกว่าคนในที่นี้อาจจะเดินเดินคนละเส้นทางก็ได้ผ่านมาคนละเส้นทางแต่ตอนนี้เรามาอยู่จุดหมายเดียวกันมาอยู่ที่เดียวกันนะมาอยู่ที่นี่แล้วก็จะเดินทางไปไปด้วยกันนะเดินทางไปสู่มรรคผลนิพพานด้วยกันใช่ส่วนใหญ่ก็ตั้งใจมาแบบนี้อยู่แล้ว มาหยุดจุดนี้ก็อยากให้พวกเราได้เป็นเพื่อนร่วมเดินทางกันเดินทางไปสู่มรรคผลนิพพานทางเดินของเราก็หลวงพ่อก็ย้ําอยู่ประจําว่าสติปัฏฐานนี่เป็นทางสายเอกนะเป็นทางสายเดียวก็ว่าได้เหมือนคล้ายๆเหมือนเราอยู่ชัยภูมิอาจจะอยู่ที่อําเภอต่างๆก็ดีแต่พอถ้าจะเข้ากรุงเทพก็ต้องไปเข้าเส้นเดียวกันเส้นถนนมิตรภาพนะ เข้าสู่มิตรภาพแล้วก็เข้าสู่กรุงเทพได้ตอนนี้พวกเราก็เหมือนกันอาจจะมาจากลายเส้นทางหลายเส้นทา ง, าทางแต่ตอนนี้เราก็เข้าสู่ถนนมิตรภาพด้วยกันมิตรภาพที่จะเข้าสู่ความพ้นทุกข์เหมือนกันนะพระพุทธเจ้าท่านเปรียบคล้ายเหมือนแม่น้ำหรือลำธารแต่ละสายก็จะมาจากหลายที่หลายทางแต่สุดท้ายแม่น้ำทุกสายก็ดงสู่ทะเลมหาสมุทรเหมือนกันทุกสายนะ พวกเราก็เหมือนกันอยากให้ชีวิตของเรามีจุดหมายในการเข้าสู่ความทุกข์เหมือนกันการเจริสติจะช่วยพวกเราได้ตรงนี้แหละนะค่อยๆฝึกไปนะอย่าไปคาดหวังนักว่าเจริญสติแล้วจะต้องรู้นั่นรู้นี่นะวางวางสิ่งที่เราอยากจะรู้ให้ได้นะปฏิบัติใหม่ๆนี่มันจะมีความความอยากรู้เป็นตัวปิดกั้นในการที่จะทำให้เรารูนะปฏิบัติใหม่ๆอยากจะรู้รูปรู้นามบ้าง อยากจะเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อพูดแม้แต่แค่คําว่ารู้สึกตัวมันเป็นยังไงนึงก็คิดหาคําตอบอยู่ตั้งมานานนะปฏิบัติทําไปบางทีก็จะคิดที่หลวงพ่อว่าเรารู้สึกว่ารู้สึกตัวนี่เราก็จะมักจะถามตัวเองว่าเอ๊ะเราเรารู้สึกตัวจริงหรือเปล่านะมันจะมีคําถามพวกนี้อยู่บ่อยบ่อยในใจเอเรารู้ึกตัวแบบที่หลวงพ่อว่าหรือเปล่านะไอ้ที่เราไปคิดเป็นนะั่นคือเราหลงแล้วนะเราไปหลงว่าเอ๊ะรู้สึกตัวเป็นแบบไหนนี่คือหลงแล้วนะเอี บางทีก็ไปคิดรูปเป็นแบบไหนนอแนะนาเป็นแบบไหนนอนะอาการต่างๆที่ครูบาอาจารย์ท่านพูดเดยเราเคยอ่านเป็นแบบไหนเนะี่ยคือบางทีเนี่ยกิเลสเขาหลอกให้เราไปคิดนะคิดหาคําตอบก่อนแต่ถ้าเรารู้จักวางความคิดเหล่า น, นั้นได้เอิ่มไม่ต้องไปสนใจคําตอบสนใจเพียงแค่การเดินทางไปข้างหน้าเรื่อยๆสนใจแค่หลวงพ่อบอกว่ายกมือรู้สึก เคลื่อนมือรู้สึกเดินไปข้างหน้ารู้สึกถอยหลังรู้สึกทําอะไรก็ให้รู้สึกอันนั้นแหละพอแล้วถ้าเราแค่รู้สึกซื่อๆแบบนี้นะรู้สึกซื่อเฉยๆหลวงพ่อบอกให้รู้สึกเป็นทีละขณะทีละขณะทีละขณะเดี๋ยวไอ้คําว่ารู้สึกตัวก็ดีรูปนามก็ดีเดี๋ยวเราก็จะค่อยเข้าใจไปเองนะเข้าใจจักสภาวาัตรคืจิตเขาประมวลเองนะจิตเขาประมวลความรู้ของเขาเอง ไม่ใช่รู้จากการคิดนะรู้จากการคิดนี่รู้กันได้เหมือนกั น, แ ต, นนะแต่มันไม่ใช่ของจริงนะแต่มันไม่ใช่ของจริงแต่ถ้าเราค่อยๆรู้สึกอย่างที่หลวงพ่อบอกก็คืออยู่ในปัจจุบันขณะนั่นแหละเคลื่อนก็รู้สึกไหวก็รู้สึกนิ่งก็รู้สึกหรือแม้แต่ใจเผลอไปคิดก็รู้สึกนะให้ทันนะบางทีเราก็จะไปคิดว่าปฏิบัติธรรมมันจะรู้แต่กายที่เคลื่อนไหวอย่างเดียว รู้จักแต่กายที่เคลื่อนไหวก็ดีอยู่แต่บางทีเป้าหมายที่แท้จริงนี่มันต้องเข้าไปรู้ถึงใจที่มันเผอไปคิดนะรู้กายเป็นเบื้องต้นเพื่อให้จิตมีสมาธิในการที่จะอยู่กับปัจจุบันให้ได้คือถ้าเราไม่รู้สึกกายที่เคลื่อนไหวบางทีความเคยชินเก่าๆ ก, ก็จะโดนจิตลากพาไปลากพาไปเที่ยวที่เที่ยวที่นั่นเที่ยวที่นี่เที่ยวอดีตบ้างไปอนาคตบ้าง ถ้าเรามีหลักที่กายที่เคลื่อนไหวคอยรู้สึกแล้วก็บางทีจิตมันเผลอคิดไปแล้วก็คอยแค่รู้ทันอ่อมันไปคิดแล้วแต่เราไม่ได้ไปปรุงต่อนะว่ามันไปคิดเรื่องอะไรไม่ได้ไปสนใจว่ามันจะไปคิดดีคิดไม่ดีก็วางมันให้ได้นะวางความคิดไว้แล้วก็กลับมารู้สึกตัวการเคลื่อนไหวตรงนี้เราฝึกแบบนี้ไปบ่อยๆนะฝึกไปแบบฝึกไปเรื่อยๆนะกำลังของจิตมันจะมีมากขึ้น คือสติสติตอนนี้ที่จริงพวกเรามีทุกคนอยู่แล้วเรื่องสติแต่เพียงแต่ว่าพอเราฝึกน้อยหรือละเลยที่จะรู้สึกตัวบ่อยๆสติมันก็เลยไม่ค่อยมีกำลังนะไม่ค่อยมีกาลังการที่เรากลับมารู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหวนี่มันจะเพิ่มให้สติมันมีกำลังมากขึ้นพอสติมีกำลังมากขึ้นเหมือนคล้ายๆเหมือนเหมือน หรือว่าตาช่างที่มันมีน้ำหนักตาช่างที่มันมีน้ำหนักพอพอเหมือนตาช่างสมัยเก่าเนาะพออีกข้างหนึ่งมันมันหนักมากถ้าสมมติสิ่งที่มาร่อให้เราหลงมันมีกำลังมีน้ำหนักมากนี่ตาช่างของเรามันก็ลอยขึ้นนะสู้เขาไม่ได้นะสติของเราก็สู้เขาไม่ได้แต่ถ้าบางทีสติของเรามันเข้มแขง็งมันแขง็งแรงแม่กิเลสจะมีน้าหนักมาก แต่มันก็ดึงเราออกไปจากฐานไม่ได้นะสติปฐานหรือว่ากรรมฐานคือที่ตั้งของการกระทําเรามีที่ตั้งอยู่ที่ใดที่หนึ่งจะเป็นกายก็ดีเป็นใจก็ดีนั่นคือมีที่ตั้งมีหลักแล้วไม่หลงไปแล้วนะไม่หลงไปสู่ที่ไหนเหมือนหนมงพ่อจะใช้คาว่ามีบังเกอร์นะมีที่บังไว้นะแต่จะมาคล้ายๆเปรียบเหมือนคล้ายๆเหมือนเวลาดูหนังนะเวลาเขายิงกันเขาจะ หาที่บังนะหาที่บังเป็นเสาก็ดีเป็นอาคารก็ดีบังไว้บังไว้ไม่ให้กิเลสมันมาทํำลายได้ง่ายๆนะพอเขาจะทำร้ายเราก็ดบเข้ามานะเหมือนคล้ายๆเหมือนพอจิตมันจะรากเราไปสู่ความโลภความโกรธความหลงเราก็คอยดูเขาดูเขาก็ดบไว้นะมาดบอยู่กับฐานก็คือกรรมฐานของเราแต่จริงมันไม่ใช่เหมือนการบดบหรอกเป็นการคล้ายๆเรามีหลักยึดไว้ เหมือนงัวเหมือนควายนะ่ะเราไปเลี้ยงงัวเลี้ยงควายเราไม่มีจำเป็นต้องไปเฝ้ามันตลอดเวลาเราไปถึงแล้วก็มัดมันไว้กับต้นไม้มัดไว้กับต้นไม้ปล่อยให้มันหากินแล้วก็กลับไปบ้านก็ได้นะอ่าพอถึงเวลาก็พาไปกินน้ําพอถึงเวลาก็พากลับบ้านได้สติของเราก็เหมือนกันถ้าเรามีดักในการปฏิบัตินะไม่ต้องกลัวมันหลงมันจะหลงเข้าไปมันจะเดินไปไหนก็ให้มันเดินไปนะแต่เรามีดักแล้วอ๋อ มันจะหลงไปคิดแล้วก็ก ล, ลับมารู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหวมันจะหลงไปคิดอีกแล้วก็กลับมารู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหวเนี่ยมันยิ่งสนุกนะมันไม่กลัวเลยมันไม่กลัวว่ามันจะหลง Instagram. ปล่อยให้มันหลงไปเลยนะไปหลงไปรักไปโลภ ไ, ไปโกรธไปหลงก็ปล่อยให้มันหลงไปแต่เรากลับมาได้การที่เรากลับมาได้เนี่ยเป็นสติของจริงนะการที่เรากลับมาได้นี่เป็นการที่เรารู้สึกตัวมากขึ้นเป็นความเข้มแข็งของจิตแต่ถ้าใครคิดจะไปบังคับให้จิต นิ่งๆเฉยๆไม่เคลื่อนไม่ไหวเนี่ยมันไม่แมันไม่แข็งแรงนะไม่แข็งแรงตติมันไม่แข็งแรงตติมันจะเหมือนคล้ายๆเหมือนคนที่ไม่ค่อยทําอะไรนะมันเจอแต่อารมณ์ซึ่งมันสบายอย่างเดียวมันเจอแต่อารมณ์ที่มันชอบอย่างเดียวมันก็อยู่เฉยๆตังเกตก็ได้นะถ้าเราไม่ทําการทํางานนะอยู่เฉยๆเนี่ยจะรู้สึกว่าเดี่ยวแรงของเราเนี่ยจะหมดลงไปเรื่อยๆนะอย่าง เราบางคนนะอย่างตอนไปอยู่กับหลวงพ่อที่โรงพยาบาลนะส่วนใหญ่ก็จะอยู่แต่ในห้องอยู่แต่ในห้องนี่ไม่ใช่แต่หลวงพ่อจะป่วยนะเราก็จะป่วยตามไปด้วยไม่ค่อยได้ทำอะไรนะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็อยู่แ <Leon> ต <idas> <c oughs> NO ่ในห้องเดินไปอาคารก็นิดๆหน่อยหน่อยนะร่างกายของเราก็ค่อยๆอ่อนแรงไปด้วยนะนี่แหละนี่คือเรื่องของกายนะเรื่องของกายถ้าเราไม่ค่อยได้ออกกาลังกายเนี่ย กายมันก็อ่อนแรงไปเรื่อ ย, อยสติก็เหมือนกันสติของเราถ้าเราไม่เจอกิเลสไม่เจอตัณหามาเป็นคู่ให้เราได้ออกกำลังกายนี่เราจะอ่อนแอไปเรื่อ ย, อยนะ เ, ออเราต้องขอบคุณขอบคุณกิเลสนะต้องขอบคุณความหลงที่ทำให้เราได้รู้สึกตัวได้ต้องขอบคุณเขานะแต่นักปฏิบัติธรรมบางคนนะมักจะไปเรียกว่าไป คาดโทษเขาไปคิดว่าเขาเป็นศัตรูไปคิดว่าเขาเป็นปัญหาไปคิดว่าเขาเป็นอุปสรรคแต่จริงๆเขาไม่ใช่อุปสรรคเขาไม่ใช่ปัญหาแต่เขาเป็นอุปกรณ์เขาเป็นบทเรียนในการสอนให้เรารู้ธรรมะนะเราต้องขอบคุณเขาที่เข้ามาสอนเราแต่บางทีนะคะที่เขามาสอนเราเราไม่รู้ทันก็ไม่เป็นไรนะก็จะไปค่าโทษตัวเองว่าโอ้หลงไปอีกแล้วโง่ไปอีกแล้ว รู้ไม่ทันอีกแล้วก็อย่ายไปฆ่าโทษถือว่าให้มันผ่านไปนะผ่านไปแรกก็ผ่านไปไม่ต้องไปคิดน ะ, ะเพราะว่าเรามีปัจจุบันขณะที่มันเกิดขึ้นใหม่อยู่เรื่อยเกิดขึ้นม่เรื่อยแล้วก็รู้ทันตัวใหม่ไปแทนนะมันไม่ผิดนะแล้วก็รู้ทันตัวใหม่สติปัะฐานมันไม่ใช่กับไปย้อนไปรู้เรื่องอดีตไม่ใช่ไปล่วงหน้ารู้เรื่องอนาคตนะแต่เป็นการรู้ที่ปัจจุบันขณะ รู้ที่ปัจจุบันขนาดเรื่อยๆไนะไม่ต้องไปคิดถึงอดีตไม่ต้องคิดถึงอนาคตคิดถึงแค่ปัจจุบันเนี้ยเรารู้สึกกับฐานไหนได้เราก็รู้สึกกับฐานนั้นไปนะทำแบบเนี้ยไปเรื่อยๆการปฏิบัติธรรมของเราก็มันก็จะสบายนะสบายเพราะว่าเราไม่ต้องไปกังวลเรื่องอดีตอนาคตแต่เราก็แค่สนใจปัจจุบันแต่ทำแบบนี้ต้องอาศัยความตั้งใจมั่นจริงๆนะตั้งใจมั่นที่จะ ไม่ผักใสอารมณ์ต่างๆจิตใจของเรามันจะมีปฏิฆะกับหลายอย่างมันจะมีความพอใจกับหลายอย่างนะบางทีเราจะพอใจในอารมณ์ที่ดีเราต้องรู้เท่าทันเหมือนกันนะอารมณ์ที่ดีบางทีเราอยากจะได้อยากจะเก็บไว้อยากจะทาให้มันมีมากๆบางทีปฏิบัติทำไปแล้วมันสบายปฏิบัติทำไปแล้วมันมีความสุขปฏิบัติทำไปแล้วมันรู้สึกนิ่งๆดี เราก็อยากจะได้อารมณ์นั้นอยู่นานๆอยากจะได้ทั้งวันทั้งคืนแล้วก็ต่อไปเรื่อยๆหรือบางทีปฏิบัติทำไปแล้วมีอารมณ์ซึ่งเราไม่พอใจค ว, ความโกรธความโกรธความหลงหรือแม้แต่ความรักบางทีเราก็จะไม่พอใจเหมือนกันนะแต่ถ้าเราเพียงมีหน้าที่เพียงแค่ก็แค่รู้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วเราก็เก็บเขาไวด้ดูนะเก็บเข้าไวด้ดูโดยไม่ผักใสโดยไม่ไปยึดดึงเขาไว้นะก็คือว่า ให้อาการต่างๆมันเกิดขึ้นแต่เรามีหน้าที่เป็นเพียงแค่ผู้ดูเขาผ่านมาผ่านไปเหมือนกับเรายือนอยู่บนถนนยือนอยู่บนข้างถนนรถผ่านมาผ่านไปนะเราก็คอยดูเขาเฉยๆโดยไม่ไปโบกเพื่อไปขึ้นกับเขาโดยไม่ไปห้ามเขาไม่ให้เขาวิ่งนะอารมณ์ของจิตของเราก็เหมือนกันเหมือนรถที่มันผ่านมาผ่านไปมันผ่านไปอดีตก็ดีผ่านไปอนาคตก็ดีนะ เรามีหนะ้าที่เพียงแค่ยืนดูในขณะที่เขาผ่านถ้าเราเชื่อมั่นในสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีการเกิดขึ้นมีการตั้งอยู่แล้วก็มีการดับไปนะเราก็จะเห็นอาการตรงนั้นจริงๆนะเห็นอาการที่เขาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปของจิตทึ่มันผ่านเข้ามาให้เราดูเนี่ยเรามีหนะ้าที่ดูให้มันได้ยืนให้มันอยู่กับที่จริงๆนะอย่าไปสะดากับเขา เหมือนยืนอยู่บนฝั่งแม่น้ำก็ไม่ต้องพะดําไปอยู่กับเรือที่มันล่องผ่านมาหรือติ่มต่างที่มันผ่านเข้ามาแล้วเราอยากจะไปสัมผัสกับเขาอยากจะไปคุก ค, คีกับเขาหรืออยากจะไปผักใส่กับเขาเนี่ยหลักกรรมฐานถ้าจะได้หลักจริงๆต้องมีที่ยืนนะที่ยืนก็คือสติปัฏฐานเนี่ยยืนเฝ้ามองอารมณ์เฝ้ามองความรู้สึก เฝ้ามองกายที่มันเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวของกายเราก็เป็นผู้เฝ้ามองเขานะไม่ใช่ไปอยู่กับเขานะเราเคลื่อนมือเราเดินจงกรมเราก็ไม่ไดเ้เอาใจหรือเอาสติไปอยู่ที่มือไม่เอาสติไปอยู่ที่เท้าไม่ได้เอาสติไปอยู่ที่อวั ย, ยวะส่วนใดส่วนหนึ่งแต่เรามีดักก็คือการดูกายที่มันเคลื่อนนะให้จําหลักนี้ให้ได้ก็คือดูกายที่มันเคลื่อน ดูใจที่มันเคลื่อนตอนนี้เป็นดักสติปฐานซึ่งถ้าเราจับดักตัวนี้ได้เราก็จะดูทุกอย่างแต่บางทีเผลอไปอยู่กับเขาก็ไม่เป็นไรก็กลับออกมาดูใหม่เผลอกัเผลอเข้าไปอยู่กับเขาอีกก็ไม่เป็นไรกลับออกมาดูใหม่เนะกลับไปบ่อยกลับบ่อยๆหลวงพ่อเรียกว่าปฏิบัตินะกลับมาได้บ่อยๆได้ว่าปฏิบัตินะก็คือกลับมาอยู่กับฐานของการกระทำของเรา ก็คือฐานที่เป็นการดูนะฐานการดูเนี่ยเป็นวิปัสสนานะสมถะกับวิปัสสนาก็แตกต่างกันตรงนี้แหละนะสมถะก็คือการเข้าไปอยู่กับอารมณ์ที่มันสบายนะการเข้าไปอยู่กับบางทีก็เป็นอารมณ์ว่างๆนะการเข้าไปอยู่กับความสุขเข้าไปอยู่กับปิติบางทีก็เข้าไปอยู่กับอารมณ์ที่เป็นความว่างก็มีนั่นคือสมถะเข้าไปอยู่กับอารมณ์นะ อารมณ์ที่เป็นทางบวกแต่วิปัสสนาคือการที่เราถอนออกมาดูทุกอารมณ์จะเป็นอารมณ์บวกก็ดีอารมณ์ลบก็ดีหรือแม้แต่อารมณ์ที่เป็นกลางกก็ดีนะอารมณ์ที่เป็นกลางๆก็ต้องออกมาดูนะบางทีใจเรานิ่งนะก็ไม่ใช่ไปอยู่กับความนิ่งของใจแต่รู้ทันว่าตอนนี้ใจมันนิ่งนะตอนนี้ใจ ม, ม, มันสงบเราก็รู้ทันนะ น, นี่คือหลักในการปฏิบัตินะก็อามาก็ ไม่ค่อยอยากจะพูดมากนะถ้าจะพูดก็พูดหลักไปเลยนะพูดหลักแล้วก็พวกเราก็จับหลักให้มันได้แล้วก็ปฏิบัตินะไปเรื่อยนะปฏิบัติไปเรื่อย ๆ, นะอยๆถ้าจับหลักได้ทุกอย่างมันก็จะไม่ยากวิชาการงานต่างๆนะถ้าเราจับหลักจับหลักจับแกนมันได้มันก็ไม่ยากอย่างอื่นเป็นเพียงแค่ข้อปีกย่อยนะข้อปีกย่อยบางคนจะสงสัยยกแบบไหนถึงจะดียกช้ายกเร็ว ถ้าแบบไหนถึงจะเหมาะสมอันนั้นเป็นปีกย่อยทั้งนั้นนะแต่เพราะหลักจริงๆคือหลักในการวางใจวางใจที่จะดูเนี่ยเป็นหลักในการปฏิบัติของจริงนะพระพุทธเจ้าบางทีท่านไม่ได้พูด อ, อกว่าต้องเดินแบบไหนต้องนั่งแบบไหนต้องยกมือแบบไหนต้องวางกิริยาท่าทางแบบไหนอันนั้นเป็นข้อปีกย่อยซึ่งท่านไม่ค่อยได้พูดถึงแต่สิ่งที่ท่านพูดถึงจริงๆก็คือหลักในการวางใจ ฝักในการที่จะมาดูนะดูการเคลื่อนไหวของกายของใจเนี่ยท่านวางหลักตรงนี้ไว้เราก็ค่อยๆพยายามฝึกปฏิบัติขอให้ภาษานี้ได้ได้ตั้งใจปฏิบัติเราทุกคนเป็นพระก็ดีเป็นแม่ชีก็ดีเป็นนักปฏิบททัติธรรมทุกคนก็ดีก็จะได้เป็นเพื่อนเป็นกันยนตมิตรในการพากันเดินทางไปสู่ความทุกข์ด้วยกันเนาะขอให้พวกเราได้ได้เข้าสู่เส้นทางนี้ด้วยกันแล้วก็ ถ้าเห็นที่ไหนข้างทางมันสะดวกสบายก็อย่าไปเผลอแวะพักมากนะจะอย่าไปหลงทางมากนะอให้กลับมาสู่ทางในการปฏิบัติธรรมนี้ให้ได้เรื่อยๆนะอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์ก็ให้ผ่านไปเรื่อยๆเดินผ่านไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะถึงจุดหมายปลายทางด้วยกันเนาะก็ขออ่ากล่าวธรรมะนะละเระย่ อ, ยอเพียงแค่นี้ครับ